อย่างไรเล่าที่อัลลอฮจะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทาหลังจากที่พวกเขาได้สถาแล้ว และยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาด้วยและอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่อัตมชนเหล่านี้แหละ การตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาบแช่งจากอัลลอฮ์จากมาลายกาและจากมนุษย์ทั้งมวล น, นั้นจะตกอยู่แก่พวกเขาข ف ف โดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาบแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลาด้วยนอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ แท้ م م ت ت ال จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้นการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขา จะไม่ถูกรับเป็นอันขาและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทาง ออลาแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตาม ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขานั้นพวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรม จนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี <S <S. อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสุราอินมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราอินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คำพี์ตอรอดจะถูกประทานลงมา มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตาร้อนมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงแล้วผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อล่อยหลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อาถรลพ์ ฟตาุมิลลอิบรฮมหนีฟวาานลุรนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอัลลอ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงถึง และเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งพาคีต่อหรอกแท้แจริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริน่น และเป็นทางนำแก่ประชาชิทั้งหลาย ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกรอมอิบราฮิมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธา แท้จริงอัลลอฮนั้นไม่ทรงพึงประชาชาิทั้งหลายลยาอลลกิตาบิมะรุนบอาติัลาฮิวลลฮชหดุัลามาตะมลูนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาวงการของลอ และอัลลอ์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำลยา أ َ ه ك ِ ت َ ا ب ِ ل ِ م تَصْدُونَ ع َ س َ ب ي ل ا ل ل َ ه ِ م َ ن آ م ل ت َ ص ْ د و ن َ ع َ ن س َ ب ا ل ل َ ه ِ مَنْ آ م ََ ت َ ب و ن ه و َ ج أ َ ت ُ ش د و َ م َ ا ل ل ه ب غ ا ف َّ م ُ จงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคำเพีดทั้งหลายเพราะเหตุนใดนพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจใจทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งๆที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และรอนั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ออโอ้ผู้สถาทั้งหลายหาพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคำผีแล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทาอีก หลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วและอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การขอลอดถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่ และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าอวยและพวกได้ยึดมั่นต่ออโลแน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอัลลอฮ์ ah อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น على ذ الله ت ت และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอรอดโดยพร้อมเปลี่ยนกันและจงอย่าแตกแยกกัน และจงดำลึกถึงความเมตตาของลอที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทํานองนั่นแหละลอลอทจะทรงอธิบายแก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้องและจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่ง ที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มีชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จุล ล, ล, บาจาลบอลลอบอ และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่ ย, ย, ยหลวบ ม, ม ดุุลอาบมมนตตวันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ติใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระ น, นรั้นรึพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้า ส, ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวผ่องนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล นั่นคือบรรดาองค์การขอลอดโดยที่เราจะอาท อ, องการเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วล้อนนั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอย่างอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปคุณตุมขัยรออุมตินอุคริจัตลินนาสเอมมรูนบิลมะรูฟวะันเตหูนั่นิลมุนค์รีวะเตอหมินูนบิลลาห์วะโลาวอามันอัฮลุลกิตาบิลก้านขัยรอหลุม พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มีชอบและศรัทธาต่อหลอและถ้าหากว่าชาวคำพีศรัทธากันแล้วแน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขาจากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธา และพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดพวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ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 ความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานาที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอ์และสายเชือกจากมันและพวกเขาจะนำความเกลียวโกรธจากอัลลอ์กลับไป และความอัด ส, สนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอลัลลอและการฆ่าบรรดานาบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำกาลละเมิด มมมมิินลลลลลลออออตุุยยาาพวกเขาหาใช่เหมือนกันไหมจากบรรดาชาวคำพีนั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอลอในอยามค่ำคืน และพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุญญยืนยันในเรื่องขพาแลวันพุมาลอนในรืะสั่งสนในิ่มะอรื่อะสั่งสอนนเอิมพวกเขารสิ่งทะารนิ่ท่ลการท่และวการนิท่ะพวานีละพวกเขานส่ลพเารและวรโลก และใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบและตา่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่คนดีอาและความดีใดๆที่พวกเขากระทำพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้น และลอรนั้นทรงทราบบรรดาผู้ที่ยังเกรงดีอินนั่ลดีนัรุลัตอังนฮมอัมวัลุฮัมวลาอัลาดุฮัมมินัลลอฮิชียะอลัยค์อัศาบุนนาริฮมฟีฮัคลิดุนถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น ทรัพย์สินของพวกเขาและลูกลูกของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของเลาได้แต่อย่างใดเลยและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล ر ر อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัด ได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอัล น, นั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่เว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง لا تتخذوا ب ط ا ن ة من دونكم لا يألونكم خبلا ا وبدو ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أبو سطاتا تغلا จงอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่นจากพวกของเจ้าเองซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นพวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลบาบากถ้าจริงความเกลียดชังต่างๆได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขาและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่า แน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาโครงการไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา พึงรู้ถิดว่าพวกเจ้านี่แหละรักพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รักพวกเจ้าและพวกเจ้าศรัทธาต่อคำพีทุกเล่มและเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำพังพวกเขาก็กัดนิ้วมือเนื่องจากความเครียดแคลนพวกเจ้า โมมัตจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันนึ่งด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลายอ้ที่มุสมทุตสุหมว่าอทิบุมสุ ย, ยรบฮว่าอทีบุว่ดุมมชีย ออินนนลฮบมมมาุหากมีความดีใดๆประสบแก่พวกเจ้าก็ทําให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเจ้าพวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้นและถ้าพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้วไซ่อุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใด ถ้าจริงแ ล, งลงะแลจงรำลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของพวกเจ้าไปแต่เช้าตรูษโดยที่พวกเจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้เทสัทธาประจำที่มั่นต่างๆเพื่อการสู้รบ แล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อิธดฮัมมัตไควฟตันิมินงคุมอันทักษลาวละัลลอฮฺวะลียูมัต์ وعلى อัลลอฮฺฟัลเลตก ك ลิลมุเอมินุนจงรำเล็กขณาที่สองกลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาดแต่เราเป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนี้ไว้แล้วร้อนนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายถึง และความจริงอัล่อฮได้สรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดาัดมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังด้อยกว่าดังนั้นพวกเจ้าเพิ่งยำเกรงอัลลอเถอดหวังว่าพวกเจ้า จอบคุณ ب ب งระลึกถึงขณะที่เจ้ามุฮัมมัดกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาว่ายังไม่เพียงพอแก่พวกเจ้าอีกหรือ การที่พระวิบาลของพวกเจ้าเสริมกำลังแก่พวกเจ้าด้วยมาลิกาสามพันตนโดยถูกส่งลงมาเพียงพอแน่นอนหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรง และพวกเขาจะมาอย่างพวกเจ้าทันทีทันใดขณะนี้แล้วพระวิบาลของพวกเจ้าก็จะเสริมกำลังแก่พวกเจ้าอีกด้วยจำนวนมาเลยก 5, ์กาห้าพันตงโดยมีเครื่องหมายระบุไว้ แ ล, ล้วเราไม่ได้กําลังเสริมนั้นมีขึ้นนอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้าและเพื่อที่ว่าใจของพวกเจ้าจะได้สงบด้วยกําลังเสริมนั้นและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มีจากที่อื่นใดนอกจากที่อลัลลอฮ์ผู้ทรงเดชารุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น เพื่อพระองค์จะได้ทรงบันทอนส่วนหนึ่งออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือทรงให้พวกเขาได้รับความอัปยศและพวกเขาจะถอยกลับในฐานะผู้ผิดหวังไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิของเจ้ามูฮัมหมัดจากกิจการเหล่านั้น หรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเขาหรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อาธรรมและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น พระองค์จะทรงอภพยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แ ล, ล้วร น, นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอยากกินดอกเบี้ยหลายเท่าบททวีคูณและพวกเจ้าพึงยำเกรงอลัลเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสาเร็จตตและพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรก ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสัตยาเถิดและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา และพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระวิบากของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์เถิดซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผนดโดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ย่ำเกรง บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในอย่างสุขสบายและในอย่างเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ระงับโทสะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ และลอ้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย。 บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทำความชั่วใดๆ ห, หรืออายุติธรรมแก่ตนเองแล้วพวกเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮฺและขออภัยต่อความผิดของพวกเขาและใครเล่าที่จะยอมอภัยอย่าโทษความผิดทั้งหลายให้ได้นอกจากอัลลอฮฺและพวกเขามิได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขาก็รู้กันอยู่